เด็กหญิงตัวน้อ ย, นอยคนหนึ่งเธอเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องแต่เธอก็ไม่เคยบ่นเหงาเลยเพราะเธอฉลาดที่จะรู้จักใช้จินตนาการเป็นเพื่อนเล่นและก็เป็นโชคดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อของเล่นให้กับเด็กน้อยที่น่ารักคนนี้ ชื่อของเธอคือเด็กหญิงลำพนวันนี้เป็นวันหยุดค่ะเธอกำลังนั่งทํากันบ้านอยู่ในมุมห้องเล็กๆของเธอทันใดนั้นพระอาทิตย์ก็ชะโงกหน้าเข้ามาที่บานหน้าต่างร้องทักวัดดีจ้าลำพนแสนขยนัน ออกมาเล่นซ่อนแอบที่สนามกันไห่จา้าได้เลยจ้าแต่รอแป๊บ น, นึงนะขอทำกันบ้านให้เสร็จก่อนไม่นานหรอกจ้าทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจ เด็กน้อยก็ว like ิ่งอย่างสดชื่นออกมาที่สนามหญ้าเขียวกระจีหน้าบ้านเธอกระโดดโลดเต้นอยู่กับจินตนาการของตัวเองหัวรอต่อกระซิบกับสายลมและแสงแดดเพื่อนของเธอที่แสงตะวันเนรมิตให้ก็คือเงาลำแทน ทำทีพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่มีตัวตนของเธอต้องมาเล่นต้นแอ บ, บกันเถิดเจนจะเลเธอว่าติ๊งต่างกันแล้วกันทำไมเจนเชื่อนี้ล่ะลำแผนแกล้งดัดเสียงให้เป็นอีกคนเพราะเธอไม่มีจริงอ่ะจีเธอคือแต้มมุดของฉันอ้าวฉันน่าจะมาจูงฉันไปไหนหล่ะนี่ ลำแนพนถามพร้อมกับจ้ำพรวดพรวดขณะ ก, ก้มลงมองดูพื้นมาทางนี้สีลำแพนเงาวิ่งอยู่ข้างหน้าโดยมีลำแพนหนีบตามมาด้วยทำนีตามฉันมาบ้างนะลำแพนพาเ ง, งาวิ่งกลับโดยคราวนี้เธอนำออกหน้าทั้งสองหัวรอกกันอย่างเบิกบาน <c oughs> ของติ้งต่างดังขึ้นอ๋อเหรอเธอถือความสุขฉันกำลังอยากได้อยู่พอดีมามามาให้ฉันจับซะดีดีทั้งสองวิ่งกลับไปกลับมาได้แต่คว้าน้ำเหลวไม่มีใครจับใครได้จนในที่สุดลำแพน ก็ลงไปนอนงายพึ่งอยู่บนพื้นสนามหญ้ารางรำพันธเบาๆว่าฮ่ะความสุขจ๋าเธอมองเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันอยากขึ้นไปบนน้นจังบินบินบินบินบินไปกับนุกเธอการแขนออกสุดตัวดูสิลงก็เย็นสบายจะได้ขึ้นไปบนนั้นนะจะต้องเย็ น, วนกวนานี้เชียวละ ก็จัดแจงตะปบเงาของตัวเองอยู่พักใหญ่จนตัวเธอหมุนไปรอ บ, รอบๆก็ไม่ได้อะไรติดมือมาว่าอาจา์เจ้าเล่เธอไม่เห็นจะมีตัวตนสักหน่อยทําไม่อยากเล่นเลยจับเธอแล้วจะมานอนดูนกกันเถอะทั้งสองนอนพึ่งแดดอยู่กลางสนามหญ้าสักพัก เธอก็ทำเสียงคู่สนทนาโอ้ทางฟ้าผู้น่าสนสารเขย่างเหงาไปเลยนะดูสินกน้อยก็รีบบินจากไปสายลมก็พัดไล่ปุยเมฆไปจากเธอแต่อย่างน้อย ยังมีฉันคนหนึ่งละที่อยากจะขึ้นไปเคียงคู่อยู่กับเธอนั่นไงเธอคงไม่เหงาแล้วฉันเห็นดวงตาดวงหนึ่งจ้องมองมายังเธอมันแบ่งเงาให้ฉันให้ต้นไม้ให้เธอด้วยดูสิดวงตานั้นจ้องมาทางฉันแล้ว ว่าแล้วเธอก็รีบวิ่งมาแอบอยู่ใต้ต้นหูวกวางอันร่มรื่นทันใดนั้นเด็กน้อยยิ้มปากกว้างพร้อมกับร้องเรียกเพื่อนจิงจังไปหลบซ่อที่ไหนคิดจะเล่นซ่อนแอบแบบฉันลึกฉันไม่มีเวลาหาเธอแล้วล่ะฉันอยากจะคุยกับต้นไม้สายลมพัดมา ระลอกแล้วระลอกเล่าโพกใบหูกวางแก่ปลิดจากขั้วสีเหลืองบ้างแดงบ้างปลอยปลายอยู่รอบรอบตัวเธอเด็กน้อยรู้สึกมีความสุขอยู่กับการกอบใบไม้ขึ้นเป็นกองๆองเธอเริ่มจัดแบ่งมันตามเฉดสีพร้อมจะเล่นขายของพอลมแรงขึ้น มันพัดออกกองใบ ไ, ไม้ของเธอกระจัดกระจายกองแล้วกองเล่าที่เธอบรรจงกอบไว้ถูกทำลายลงในพริบตาลำแพนก็ได้แต่หัวเราะชอบใจพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนสายลมจะหยอกล้ะและพัดพาเอาเวลาในใจเธอไปด้วยคราวนี้ เธอจัดเรียงใบไม้ตามขนาดเล็กใหญ่บ้างสักพักเธอกลับสังเกตเห็นความเงียบเธอได้ยินเสียงสนทนาเบาๆในภาษาที่เธอเองก็ไม่รู้จักเอหรือมันคือเสียงดนตรีเมื่อเธอเงียบหูฟังอีกครั้งจึงรู้ว่า มันคือเสียงสนทนาระหว่างใบไม้กับสายลมขณะที่เธอง่วนอยู่กับการเล่นขายของก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนพื้นที่เธอนั่งเงาของต้นหูกวางนั่นเองใบโตๆโตและกิ่งก้านของมันปล่อยให้ลำแสงน้อยๆเล็ดลอดลงมาเต้นระบำให้เธอดูอยู่บนพื้น พร้อมกับเสียงเพลงธรรมชาติที่สายลมบรรเลงลำแทนรู้สึกอบอุ่นเหมือนมีเพื่อนมากมายอยู่รายล้อมเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่กําลังสัมผัสล้วนมีชีวิตเช่นเดียวกับเธอขณะนี้ลำแทนลืมตามหาเพื่อนของเธอไปซะแล้วแต่เธอไม่รู้หรอกว่า เพื่อนที่มองไม่เห็นขณะนี้ได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับเธอเองนิทานเรื่องนี้แม่ตั้งใจจะใช้สั ญ, ญลักษณ์เป็นตัวเล่าจินตนาการและความสุขในเรื่องก็มีธรรมชาติคล้ายกับเงา คือมันอยู่ในตัวลูกนั่นแหละจ้ะความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองทางใจเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างสแสวงหาแต่รู้ไหมล่ะจ๊ะว่าการเที่ยววิ่งตามหาความสุขนั้นเป็นเรื่องเหนื่อยเปล่าตราบใดที่หยุดความสุขจะผุดขึ้นมาเองไม่เชื่อ ก็ต้องลองดู